จเจริญพรญาติโ ย, ยมทั้งหลายได้เวลาฟังธรรมฟังธรรมทำใจสบายๆรู้สึกตัวถ้าใจสงบใจตั้งมั่นอยู่กับเดอะกับตัวเป็นใจที่พร้อมจะรองรับธรรมะที่มีสมาธิในการฟังธรรมนะนักปฏิบัติมีเยอะ แต่ถ้าปฏิบัติไม่ได้หลักไม่ถูกหลักก็เห น, น็ดเหนื่อยมากโอกาสที่จะพ้นทุกก็ยากแต่ถ้าเราเรียนหลักให้แม่นอย่าหลวงพ่อพยายามสอนหลักของการปฏิบัติให้พวกเราถ้าเรารู้หลักของการปฏิบัติได้แม่นยำํำการลงมือปฏิบัติไม่ใช่เรื่องยากอะไรไม่เหลือวิสัย ที่คนธรมธรมดาธรรมดาคนหนึ่งอย่างพวกเราจะทำได้คนสมัยพุทธกาลบรรลุมรรคผลกันเยอะแย ะ, ยะที่เป็นคารวา์เขาไม่ได้เก่งกว่าเรานีนพวกเราไม่มีโอกาสฟังธรรมะตรงจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระอราหันต์สาวกผู้ใหญ่บุญเราไม่เท่าเขาถ้าบุญอย่างน้อยก็ต้องพากเพียนเอา พยายมฟังฟังครั้งเดียวไม่รู้เรื่องฟังหลายๆครั้งต้องรู้เรื่องจนได้หลวงพ่อได้เห็นว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ว่าถ้าเราฟังหลายๆทีนะฟังแล้วฟังอีกเนะี่ยมันจะเข้าใจไม่ใช่เข้าสมองแจะเข้าใจเวลาไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดเลยหลวงพ่อเห็นคนซึ่งเขาไม่เคยเจอหลวงพ่อเลย เขาฟังได้แต่ซ d ดี้จิตของเขาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานบางคนแยกธาตุแยกขันได้เห็นกายกับจิตเป็นคนละส่วนเห็นเวทนากับร่างกายกับจิตเป็นคนละส่วนเห็นสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วนะกับร่างกายกับความสุขความทุกข์กับจิตเป็นคนละนกันถ้าเขาแยกธาตุแยกขันได้นะเขาก็จเจริญปัญญาได้ ก็จะเริ่มเห็นความจริงว่าสิ่งที่ประกอบกันเป็นตัวเราที่ว่ามีตัวเราตัวเรานะพอแย่งองค์ประกอบออกไปอันนี้เป็นส่วนของรูปธรรมรูปธรรมก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาก็เป็นวัตถุอย่างร่างกายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาธาตุไหลเข้าอย่างเช่นเรากินอาหารเราดื่มน้ํานะ เราหายใจแล้วก็มีธาตุไหลออกนะหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกมีธาตุหมุนเวียนหล่อเลี้ยงอย่าก็วัตถุวัตถุมันจะเป็นตัวเราไปได้ยังไงเป็นวัตถุดูความรู้สึกสุขรู้สึกทุกขนะ์มันก็เหมือนฝันฝันไปสุขก็เหมือนฝันทุกข์ก็เหมือนฝันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความปรุงแต่งของจิต จะปรุงดีหรือปรุงชั่วเช่นปรุงรอบปรุงปลดปรุงหลงก็เหมือนฝันฝันไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจิตเองที่เป็นคนรู้อารมณ์ก็ไม่ได้รู้อย่างเดียวบางทีหลงไปด้วยนะหลงไปทางตาไนะหลไปดูรูปแล้วก็ลืมตัวเองไหลไปฟังเสียงทางหูแล้วก็ลืมตัวเองไหลไปคิดแล้วก็ลืมตัวเองหลงไปทางใจไปคิดอะไรถ้าดูเป็นก็จะเห็นเลย จิตที่ไปรู้อารมณ์ทางตาจิตที่ไปรู้อารมณ์ทางหูจิตที่ไปคิดจิตที่รู้สึกตัวก็เป็นแค่สภาวะธรรมเป็นแค่สภาวธรรมสิ่งที่เป็นสภาวธรรมไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาและดูมากๆมันจะเห็นื่อเห็นได้วันหนึ่งมันก็ล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนตัวเรามีจริงๆล้างความเห็นผิดได้เมื่อไหไร่ก็เป็นพระโสดาบัน เราปลอดภัยละอย่างน้อยไม่ไปอาบายยังกลับมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาอะไรนี้เป็นได้เราเป็นมนุษย์ก็ทุกข์แบบมนุษย์อีกเป็นเทวดาทุกข์แบบเทวดาอีกถ้าันใดปัญญาแก่กล้ามากขึ้นไปอีกจะเห็นเลยว่าขันทั้งหลายเนะี่ยไม่ใช่แค่ว่าไม่ใช่ตัวตนแต่ขันทั้งหลายนะั้นเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวเราแต่มันเป็นตัวทุกข์ ตัวรูปนี้เป็นตัวทุกเป็นก้อนทุกแท้ๆเลยตัวความรู้สึกสุขรู้สึกทุกก็เป็นตัวทุกเป็นความดิ้นรนปรุงแต่งของจิตขึ้นมาจิตต้องปรุงแต่งความสุขความทุกข์ความเฉยๆขึ้นมาจิตต้องปรุงดีปรุงชั่วขึ้นมาปเป็นภาระทั้งสิ้นเลยก็เห็นความจริงนะกระทั่งตัวจิตเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ หนเวียนเ ป, นปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษเนี่ยถ้าลองเห็นขันท่านะเป็นตัวทุกข์เมื่อไหรก็จะพ้นทุกข์เมื่อนั้นแหละคือจิตมันจะคืนขันให้โลกมันจะไม่ยึดถือขันส่วนพวกเรายัางยึดถือขันอยู่ตัวขันนั้นเป็นตัวทุกข์ถ้าเรายึดถือขันอยู่ก็เท่ากเราแบบแบกกองทุกข์เอาไว้กับตัวไปไหนก็ทุกข์ไปเรื่อยๆ ในการปฏิบัตินะเราจะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้นะก็เพราะมีปัญญาเห็นความจริงไปเป็นลําดับลําดับปัญญาเบื้องต้นก็เห็นก่อนว่าตัวเราไม่มีหรอกมีแต่รูปธรรมนามธรรมามีแต่สภาวะธรรมนะความสุขความทุกข์ก็เป็นแค่สภาวะธรรมอันนึงที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปกุศลทั้งหลายก็เป็นสภาวะธรรมที่ผ่านมาผ่านไปโลภโกรธหลงเป็นสภาวะธรรมที่ผ่านมาผ่านไป รูปร่างกายก็เป็นวัตถุธาตุี่เป็นสภาวะธรรมอีกอย่างหนึ่งที่รูปธรรมเห็นแต่สภาวะธรรมไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานี่เป็นปัญญาเบื้องต้นเป็นพระโสดาบันปัญญาเบื้องปลายเห็นแต่ทุกข์ไม่ใช่แค่ว่าไม่ใช่เรานะแต่ตัวมันจะเป็นตัวทุกข์เห็นทุกข์เมื่อไหร่ก็เห็นธรรมแย้งตรงนั้นเองจิตจะคืนใจคืนใจคืนธาตุคืนขันให้โลกไป บรรลุพระอรหันต์าานไม่ใช่สิ่งเหลือวิสัยที่คนธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราจะทำได้หรอกนะฟังแล้วเหมือนไกลเมื่อก่อนเราถูกสอนนะว่าพวกเราบุญน้อยบารมีน้อยทำบุญทำทานไปเรื่อยๆหรือนั่งสมาธิไปเรื่อยอีกเป็นแสนแสนชาติบารมีมากแล้วก็บรรลุมรค น, นิพพานตราบใดที่ไม่เจริญปัญญาบารมีไม่มากอยู่ันแหละ มันก็อ่อนไปตลอดนะถ้าชาตินี้เราไม่เจริญปัญญานะในศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เราไม่เจริญปัญญาไปเจอพระสีลานบาลมีเราก็ยังอ่อนอยู่อย่างนั้นเองอะไรที่อ่อนมากๆเลยคือปัญป ญ, ญาเม็นอ่อนยินรีอ่อนเนี่ยปัญญยินสีมันอ่อนปัญญยินรียอ่อนปัญญาอ่อนอ่อนเนี่ยมันจะไปเห็นแต่ว่าตัวเรามีจริงๆอยู่งนั้นแนหะ จะปฏิบัติจะทําทานก็เพื่อเราจะได้มีความสุขเราจะได้รวยรักษาศีลเราก็จะได้ดีนะจะได้หน้าตาผ่องใสได้เป็นมนุษย์ได้เป็นอะไรมันมีเราอยู่ทุกครั้งนั่งสมาธิก็เพื่อให้จิตใจของเรามีความสุขคือการภาวนาเนี่ยถ้าไม่เข้ามาลบล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตน ม, ม, มีเรามีเขาอะไรเนี่ยยังห่างไกลมากเลยนะ เพนพวกเราไม่ใช่โง่พวกเราไม่ใช่พวกด้อยโอกาสอะไรธรรมะของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็ยังอยู่บริบูรณ์หลวงพ่อออกมาพูดแรกๆมีคนไม่เห็นด้วยบอกทำไมมาพูดธรรมะชั้นสูงธรรมะชั้นสูงแล้วพูดกับคนไม่กี่คนที่จริงไม่ใช่ถ้าคนจนํานวนมากมีโอกาสฟังธรรมะระดับสูงเขาก็เข้าใจมากขึ้นมากขึ้นนะมันไม่ใช่ฟังอย่างเดียว หลวงพ่อเบวิธีปฏิบัติให้อย่างชัดเจนทุกขั้นทุกตอนแล้วเราลงมือปฏิบัติไปนะความรู้ความเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นวันหนึ่งมันก็พ้นทุกไปไม่ต้องรอแสนชาตนะิเอามันชาตินี้เลยนะทําไมจะต้องรอทําไมจะต้องทุกอีกนานๆมันโง่ามากๆเลยที่จะจมอยู่ในความทุกข์อีกนานๆโดยหวังว่าจะวันหนึ่งจะไปพ้นทุกในอนาคตซึ่งก็พ้นไม่ได้เพราะไม่ได้เคยเจริญปัญญานะ บุคคลนั้นถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้แต่ปัญญานั้นมันมีหลายระดับปัญญาที่จัด ก, การอ่านการฟังอย่างมาฟังหลวงพ่อเทศนี่ก็เป็นปัญญาจะเป็นเป็นปัญญาเบื้องต้นเรียกว่าสุดตามย่ปัญญาปัญญาอย่างนี้มันไม่ใช่ปัญญาแท้ๆของเรามันยังล้างกิเลสไม่ได้อย่างฟังธรรมะอ่านธรรมะมากมายนะมันล้างกิเลสไม่ได้หรอก มันเหมือนมีตำรายานะแต่ไม่เคยปรุงยาขึ้นมากินเลยก็เป็นโรคตายอยู่อย่างนั้นเองปัญญาจากการอ่านการฟังมันเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าเป็นปัญญาของพระสาวกเป็นปัญญาของครูบาอาจารย์ไม่ใช่ปัญญาของเราเพราะฉนั้นเราจะไปหยุดตัวเองอยู่แค่การอ่านการฟั ง, ฟงธรรมะไม่ได้แต่เราก็ทิ้งการอ่านการฟังธรรมะไม่ได้เพราะเราไม่สามารถจะรู้ธรรมะได้ด้วยตัวเราเองไม่ใช่ภูมิจิตภูมิธรรมที่เราจะทําได้ แล้วเราก็มาฟังมาอ่านธรรมะเพื่ออะไรเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าจะสอนเราได้ช่วยเราได้ก็คือบอกวิธีปฏิบัติให้ท่านจะมาปฏิบัติแทนเราไม่ได้แต่ท่านบอกวิธีให้ท่านบอกนะว่าตถาคตเป็นแค่ผู้บอกทางพวกเราต้องเดินทางด้วยตัวเราเอง ดังปัญญาจากการฟังนี่มันปัญญาของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์ไม่ใช่ของเรายัางสู้กิเลสไม่ได้แต่อาศัยการฟังการอ่า น, นให้รู้วิธีปฏิบัติถ้ารู้วิธีปฏิบัติแม่นยําแล้วนะการปฏิบัติจะไม่ยากปัญญาอีกชนิดหนึ่งเรียกจินตามายะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดเอาปัญญาจากการคิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ใช้ไม่ค่อยจะได้จริงถ้าเราคิดตามใจตัวเอง แต่ถ้าเราคิดโดยเทียบเคียงเข้ากับคำสอนของพระพุทธเจ้านะเช่นเราภาวานาไปแล้วจิตใจของเรามันสว่างว่างคงที่อยู่ทั้งวันทั้งคืนเราก็ต้องฉลาดเราคิดพิจารณาว่าเอ๊ะมันไม่ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ า, เาสอนแต่ของไม่เที่ยงสอนเรื่องความเป็นทุกข์เรื่องบังคับไม่ได้แต่เราภาวานาแล้วทาไมจิตเราเที่ยงจิตเรามีแต่ความสุขความสว่างสวัย มันเหมือนบังคับได้ควบคุมได้เนี่ยถ้าเรารู้จักคิดนะแต่คิดโดยเทียบเคียงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าโยนิโสมนานสิการเป็นความคิดที่แยบคายอย่างนี้มีประโยชน์แต่ลําพังความคิดหาวิธีปฏิบัติเอาเองนะหวังว่าเราจะหาทางด้วยตัวเองคิดว่าทําอย่างนี้น่าจะดีทําอย่างนี้น่าจะดีความคิดทั้งหลายเหล่านี้เป็นเรื่องหาประโยชน์อะไรไม่ได้จริงหรอกเพราะอะไรเพราะจิตใจของพวกเรามันเต็มไปด้วยกิเลส เวลาเราคิดเราก็คิดตามใจกิเลสคิดไปทีไรมันก็มีเราทุกทีแต่ว่าอยากให้เราพ้นทุกมันมีเราแต่อยากให้เราค้นทุกอยากให้เรามีความสุขไม่สามารถเห็นได้ว่าไม่มีเราปัญญาที่จะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมี ต, มตนมีเรามีเขาได้เนี่ยคือภาวนามายปัญญาภาวนามายปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเจริญสติเจริญปัญญาหลวงพ่อถึงจาจี้จำชัยนะสอนแล้วสอนอีก ว่าเราต้องเจริญสติเจริญปัญญานะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแล้วบอกเคล็ดลับให้ด้วยว่าจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้นั้นต้องมีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางตัวนี้แหละเป็นเคล็ดลับสำคัญของการเจริญปัญญาลำพังตำรับตาราสอนสมถกรรมฐานตำรับตาราสอนวิปัสสนากรรมฐานเ น, น, นี่ยมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลย คำพีต่างๆก็ยังอยู่สมบูรณ์ไม่ได้ตกหล่นไปไหนแต่ทาไมคนปฏิบัติแล้วไม่ค่อยได้ผลเพราะไม่รู้เคล็ดวิชามีแต่ตำรานะแต่ไม่รู้เคล็ดลับของการปฏิบัติไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะจับยังไงและสิ่งที่หลวงพ่อมาบอกพวกเรานะบอกวิธีปฏิบัตินะแล้วบอกเคล็ดลับให้ด้วยแต่ละขั้นแต่ละตอนอย่างถ้าเราอยากถือศีลเราจะทำยังไงเราถึงจะถือศีลได้ดี เราต้องรู้ทันเนี่ยเคล็ดลับเราต้องมีสติรู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นในใจกิเลสไม่เกิดที่อื่นหรอกกิเลส ท, ที่เกิดนี่ที่ใจของเราเองเท่านั้นเพราะถ้ากิเลสเกิดที่ใจเรามีสติรู้ทันนะสีนอันตโนมัติจะเกิดขึ้นแล้วทำยังไงจิตจะสงบจิตสงบเพราะว่าอะไรนะเพราะจิตมันพึงพอใจอยู่ในอารมณ์เดียว ธรรมชาติของพวกเราจิตไม่สงบวิ่งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตลอดเวลาวิ่งไปทาไมวิ่งไปหาความสุขแล้วก็ไม่หาความสุขหาความสุขไม่ได้ก็วิ่งไปทางน้นวิ่งไปทางนี้ตลอดงั้นเคล็ดลับที่จะทำจิตให้สงบง่ายนิดเดียวนะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอารมณ์เดียวนะที่มีความสุข จิตชอบพุโทโธอยู่กับพุโทโธจิตชอบลมหายใจอยู่กับลมหายใจจิตชอบดูท้องฟองยุบไปอยู่กับท้องฟองยุบจิตชอบบริกรรมนะอะไรก็ได้พุโทโธสัมมาระหังนมะมะพระทะอะไรก็ได้นะถ้าทําแล้วใจสบายก็อยู่กับอ น, นั้นถ้าเราอยู่กับอารมณ์ที่สบายใจจิตก็จะไม่วิ่งพล่านไปหาอารมณ์ที่อื่นจิตมันก็สงบเคล็ดลับอยู่ตัวนี้เองแม้ความสุขเนี่ยเป็นเหตุ ใ, ใกล้ ใ, ให้เกิดสมาธิ น, นี่เป็นหลักของการที่เป็นเคล็ดลับของการปฏิบัติบางคนนั่งสมาธิแทบเป็นแทบตายจิตไม่เคยสงบเลยเพราะจิตไม่เคยมีความสุขเลยนะถ้ารู้เคล็ดลับแล้วก็ต่อไปนี้การนั่งสมาธิไม่ใช่เรื่องยากสําหรับพวกเราอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กๆนะหลวงพ่อทําอาณาปณะสติหลวงพ่อหายใจแล้วมีความสุขหายใจแล้วพอมีความสุขนะจิตก็สงบมีปีติมีความสุขมีความสงบขึ้นมานะ ดังนประโยชน์ที่การเลือกอารมณ์กรรมฐานนะเคล็ดลับของการที่จะทํำสมถะทําความสงบแต่อารมณ์นั้นต้องไม่ย่อกิเลสถ้าเป็นอารมณ์ที่ย่อกิเลสเช่นด่าชาวบ้านแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยนะอย่างนี้ไม่ได้หรือเล่นหุ้นนะบอกว่าจะเจริญปัญญาจเจริญสติไปนั่งเล่นหุ้นนะใจเวี่ยงไปเวี่ยงมาไม่มีความสุขจริงหรอกส่วนมากมันขาดทุนนะไม่ค่อยมีความสุขอย่างนั้นจิตไม่สงบหรอก ต้องอยู่กับอารมณ์ที่มันไม่ยั่วกิเลสนะคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงทานคิดถึงศีลนะคิดถึงครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบนึกถึงแล้วสบายอกสบายใจอย่างเงี้ยจิตใจก็สงบเนี่ยเคล็ดลับแค่นี้เองนี่สมาธิสงบเนี่ยไม่พอสําหรับการเจริญปัญญาสมาธิสงบเนี่ยเป็นแค่ทําให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรง จิตใจมีแรงอย่างเดียวนะยังเจริญปัญญาไม่ได้ต้องมาฝึกสมาธิชนิดที่สองคือสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่ตั้งมั่นจะสงบสะอาดสว่างจะสงบสว่างสะอาดนะจะเป็นอย่างนั้นสมาธิสองชนิดอย่างแรกในะจิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวแล้วนะเข้าฌานที่1 2ึ่งสองสาดแได้แต่ว่าเวลาที่จิต เข้าฌานนะจิตจะรวมมันไปรวมอยู่ข้างนอกไ่รวมอยู่กับอารมณ์กรรมาฐานเช่นเรารู้ลมหายใจลมหายใจกลายเป็นแสงสว่างจิตจะไหลไปรวมกับแสงสว่างมีปีติมีความสุขอะไรเป็นลำดับลำดับไปนะเนี่ยสมาธิอย่างนี้จิตจะอยู่ข้างนอกนะมันมีสมาธิที่จิตตั้งมั่นเนี่ยจิตตั้งอยู่ที่จิตเลยนะโดยวิธีการนีเราหัดรู้ทากรรมาฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วเราคอยรู้ทันจิตที่ไหลไป ส่วนใหญ่จะไหลไปคิดกับไหลไปเพ่งมี2 อ, อย่างเท่านั้นคนที่ไม่เคยปฏิบัตินะจิตจะไหลไปคิดลูกเดียวเลยส่วนนักปฏิบัตินะจิตไหลไปคิดแล้วก็รู้ว่าจิตไหลไปคิดก็เกิดความตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะถัดจากนั้นก็จะอยากให้จิตตั้งมั่นนานๆก็จะกลับไปเพ่งเนี่ยจะมี3แบบเปลอไปรู้สึกตัวแล้วก็กลับมาเพ่งให้คอยรู้ทันไปเรื่อยนะจิตไหลไปคิดก็รู้จิตไหลไปเพ่งก็รู้จิตมันไหลไปทั้งสิ้น อย่าไปห้ามการไหลของจิตแต่ให้รู้ทันการไหลไปของจิตหลวงปู่ดูลเรียกว่าจิตออกนอกจิตส่งออกนอกจิตที่เคลื่อนไปไหลไปตันหาเป็นตัวผลักดันให้มันไหลไปให้เราคอยรู้เท่าทันเวลาจิตไหลไปโดยเฉพาะจิตไหลไปคิดทันทีที่รู้ว่าจิตไหลไปคิดนะจิตรู้จะเกิดขึ้นจิตรู้นั่นแหละคือตัวจิตที่ตั้งมั่นมีสมาธิชนิดที่ตั้งมั่นเรียกว่าลัคนูปนิชฌาน รัคขณปนิชฌานนั้นก็เป็นฌาน1 2ึ่งสองี่ห้าหกเดแเหมือนกันนะเป็นฌานที่ถึง8ปฌาน8เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไปตั้งอยู่ที่อารมณ์ภายนอกมันตั้งอยู่ที่จิตนะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้รักขณูปนิชฌานเมื่อไหร่นะมันเป็นฌานสําคัญเป็นสมาธิสําคัญถึงเข้าฌานไม่ได้เราได้แค่คณิกะสมาธิเราคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดรู้บ่อยๆนะในที่สุดจิตก็ตั้งมั่นได้ถึงเข้าฌานไม่ได้ก็ไม่เป็นไร แต่จิตตั้งมั่นอยู่กับจิตเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตแล้วเนี่ยเราก็พร้อมแล้วที่จะเจริญปัญญาเราก็มาดูกายเห็นร่างกายทำงานไปจิตเป็นคนดูจิตอยู่กับจิตก็เหมือนเราอยู่ในบ้านบ้านเราอยู่ริมถนนเราเห็นรถวิ่งอยู่ในถนนเราไม่วิ่งลงไปในถนนหรือบ้านเราอยู่ริมแม่น้ำเราเห็นเรือผ่านไปผ่านมาเราไม่โดดลงน้าเราอยู่บนบ้าน จิต ท, ที่ตั้งมั่นก็อยู่อย่างนี้แหละคือตั้งมั่นอยู่กับตัวของตัวเองนะมันไม่ไหลตามอารมณ์ไปมันก็จะเห็นเลยว่าอารมณ์ทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอย่างถ้ามีอะไรลอยน้ํามามีท่อนไม้ลอยน้ํามาสักท่อนหนึ่งแล้วเราก็โดดลงน้ําเราจะไปดูมันเรากับท่อนไม้เนี่ยจะไหลไปพร้อมๆกันท่อนไม้จะรู้สึกเที่ยงเห็นทั้งวันเลยลอยไปกี่ชั่วโมงท่อนไม้ก็ยังอยู่ต่อหน้ากลายเป็นของเที่ยงไปแต่ถ้าเราอยู่บนบก ท่อนไม้ไหลาตามน้ำไปเราจะเห็นว่าท่อนไม้น่าปรากฏขึ้นชั่วคราวแล้วก็หายไปงั้นจิตเราตั้งมั่นเหมือนจิตเราอยู่บนบกได้เราเห็นอารมณ์ทั้งหลายไหลผ่านไปต่อหน้าต่อตาเราเห็นรูปธรรมไหลผ่านไปต่อหน้าต่อตาเช่นเห็นร่างกายยืนแล้วก็เดินแล้วก็นั่งแล้วก็นอนนะเปลี่ยนอิริยาบถไปเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้านะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใจเราเป็นคนดู มันจะมีความรู้สึกว่าร่างกายกับจิตใจที่เป็นคนดูนะนะั้นเป็นคนละอันกันแล้วร่างกายนะนะั้นเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงเต็มไปด้วยทุกมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นวัตถุธาตุไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่วัตถุเนี่ยปัญญามันเกิดขึ้นได้นะเพราะจิตตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วมีสติรู้กายก็จะเห็นว่ากายไม่ใช่เรา ถ้าจิตตั้งมั่นอยู่มีสติไปรู้ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็จะเห็นว่าความสุขความทุกข์เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราถ้ามีจิตตั้งมั่นอยู่สติระลึกรู้เห็นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นก็จะเห็นว่าความโลภความโกรธความหลงกับจิตนั้นเป็นคนละอันกันไม่ได้รวมเข้าด้วยกันต่างคนต่างอยู่เนี่ยอย่างเนี้ยที่หลวงพ่อใช้คําว่าแยกธาดแยกขันธ์กายก็แยกไปความรู้สึกสุขทุกข์ก็แยกออกไปส่วนหนึ่ง กุศลกุศลทั้งหลายแยกเป็นส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้ก็อยู่อีกส่วนหนึ่งเมื่อแยกได้แล้วแต่ละส่วนแต่ละส่วนนั้นมันจะแสดงไตรลักษ์ให้เราดูถ้าไม่เห็นไตรลักษ์ของกายของใจถ้าไม่เห็นไตรลักษ์ของรูปของนามไม่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐา น, นอย่างคิดพิจารณากายเป็นปฏิกรูปสุภะการคิดไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนานแปลว่าอะไรแปลว่าเห็นแจ้งปัฏนะแปลว่าการเห็น การคิดเป็นวิตกวิจารนั้นไปคนละเรื่องกันนะวิตกวิจารจะได้อะไรก็ได้สมกถกรรมฐานยังไม่ได้วิปัสสนากรรมฐานงั้นเราต้องมาพัฒนาจิตให้เป็นผู้รู้ให้ได้นะโดยการรู้ทันจิตที่ไหลไปรู้บ่อยๆไม่ห้ามว่าห้ามไหลจิตเท่าจะตื่นขึ้นมาเมื่อจิตตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่รักษาให้มันไหลไปได้อีกไหลไปอีกรู้อีกมันก็ตื่นขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาอีกขณะหนึ่ง แล้วก็ไม่รักษาให้มันไหลไปอีกนะมันไหลของมันเองเราก็ดูพอเรารู้ทันว่ามันไหลมันก็ตั้งมั่นของมันเองมันทําของมันเองการที่เราฝึกอย่างนี้เรื่อยไปเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นเมื่อเราได้จิตตั้งมั่นแล้วเราก็มาเจริญปัญญาเราก็เห็นร่างกายนี้แสดงไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นความรู้สึกสุขทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นกุศลอกุศลไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นจิตเอง ก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นจิตสุขเดี๋ยวก็เป็นจิตทุกข์เดี๋ยวก็เป็นจิตดีเดี๋ยวก็เป็นจิตร้ายเดี๋ยวก็เป็นจิตที่ไปดูเดี๋ยวเป็นจิตที่ไปฟังเดี๋ยวเป็นจิตที่ไปคิดสารพัดจิตจิตเองก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเหมือนกันนี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญาเราจะต้องฝึกให้สติเป็นอัตโนมัติต้องฝึกให้สมาธิ ที่จิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นอัตโนมัติต้องฝึกเจริญปัญญาจนเป็นการเจริญปัญญาอัตโนมัติอัตโนมัติหมายถึงว่าไม่ได้จงใจจะมีสติสติก็เกิดไม่ได้จงใจให้จิตจตั้งมั่นจิตก็ตั้งมั่นไม่ได้จงใจเจริญปัญญาก็เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจของรูปของนามต้องฝึกอย่างนี้นะการที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเราก็เดินปัญญาไปนะการที่ อะไรแปลกปลอมขึ้นในกายคอยรู้อะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตคอยรู้แรกๆยังไม่อัตโนมัติแต่พอหัดรู้บ่อยๆต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในกายไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในจิตใจสติอัตโนมัติจะเกิดขึ้นแรักาาที่จิตเคลื่อนไปเราคอยรู้จิตเคลื่อนไปเราคอยรู้ต่อไปสมาธิอัตโนมัติจะเกิดขึ้นเราไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นแค่จิตไหลแวบสติระลึกปั๊บกลับเข้ามาตั้งมั่นอัตโนมัติเลย พอตั้งมั่นแล้วก็ไม่ตั้งซึมกระตือซื่อบื้ออยู่กับทีนะ่ตั้งมั่นแล้วก็เห็นกายเห็นใจทำงานโดยจิตเป็นคนดูอยู่นี่เรียกว่าเจริญปัญญาแรกๆอาจจะต้องช่วยมันคิดพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ดูความเป็นไตรลักษณ์อะไรต่ออะไรต่อไปจิตมันจะดูธาตุดูขันธ์เห็นไตรลักษณ์ของมันเองตรงนั้นเป็นปัญญาอัตโนมัติเราจะต้องฝึกให้ได้สติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติ หมายถึงว่าปราศจากเจตนาความจงใจจะมีสติปราศจากเจตนาจงใจให้มีสมาธิให้จิตตั้งมั่นปราศจากเจตนาจงใจให้เกิดตัญญาเห็นไตรลักษณ์ถ้าจะตราบใดยังเกิดเจตนาอยู่เจตนาทางใจเรียกมโนสัญญาเจตนามโนสัญญะเจตนาความจงใจเนี่ยทำให้เกิดการสร้างภพสร้างชาติขึ้นในจิต เราต้องฝึกจนกระทั่งสติสมาธิปัญญาอัตโนมัติเนี่ยมันถึงจะไม่าไม่สร้างพบสร้างชาติขึ้นได้ในขณะที่เราฝึกทุกวันทุกวันนะจนสติสมาธิปัญญานั้นแก่กล้าไปตามลาดับลาดับนั้นต่อไปเมื่อกำลังบบุญบา ร, รมีเราพอนะอินทรีย์เราแก่กล้าพอเนี่ยจิตมันตั้งมั่นอยู่ที่จิตอยู่แล้วนะฉะนั้นสมาธิเนี่ยมีอยู่แล้วนะจิตตั้งมั่นอยู่กับจิต แต่ว่าจะไม่ตั้งมั่นธรรมดาธรรมดาเหมือนที่เราเคยตั้งตั้งแล้วไหลตั้งแล้วไหลในวันที่บุญบารมีพอแล้วนั่นจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่จิตแล้วเข้าถึงอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิไม่จําเป็นต้องออกนอกนะตั้งอยู่ที่จิตก็เกิดอัปปนาสมาธิตัวนี้แหละเป็นตัวสัมมาสมาธิที่แท้จริงถ้าจิตไปเข้าฌานอย่างไปเพ่งไฟเพ่งกระสินจิตไปอยู่ที่ดวงกสินข้างนอกนั่นะไม่ใช่ตัวสัมมาสมาธิที่แท้จริง สมาสมาธินั้นจิตต้องตั้งมั่นอยู่ที่จิตแล้วก็เข้าฌาน12345678 1234คือรูปฌานชาห5เจคืออรูปฌานในตำราท่านจะพูดถึง1234เวลาพระพุทธเจ้าแสดงถึงสมาสมาธิที่ท่านพูดฌาน 1-4 ถึงทำไมแล้วฌาน5 6า8หายไปไหน5678เปเป็นอรูปฌานอารูปฌานนั้นแท้จริง ก็คือฌาน4นั่นเองนะมีองค์เป็นองค์ธรรมสองอย่างนะอุเบกขากับเอกคาตาเท่าเท่ากับฌาน4และจิตจะเข้าฌานนะที่เข้ารูปฌปานหรืออรูปฌปานก็ได้สมาธินั้นมีคุณสมบัติประหลาดอย่างหนึ่งเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่กับจิตได้อย่างแจ่มแจ้งนะได้แน่นอนมั่นคงไม่คลอนคลนโดยที่ไม่เจตนา เรียกว่าเรามีลักคนูปนิชฌานเต็มที่แล้วเนี่ยจิตเข้าฌานฌานนั้นก็ยังเป็นลัคนูปนิชฌานอยู่สมาธิจะเป็นภาชนะนะเหมือนเป็นหม้อเป็นไหอะไรอย่างนี้เป็นที่รองรับคุณธรรมฝ่ายดีทั้งหลายให้มารวมตัวกันอยู่ที่เดียวคือรวมตัวอยู่ที่จิตคุณงามความดีทั้งหลายนั้นจะมารวมประชุมกันอยู่ที่จิตในขณะเดียวกันรวมลงที่เดียวคือที่จิต รวมลงในขณะเดียวกันองค์มรรคทั้งเจที่เหลือเช่นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติเนี่ยเจ็ดตัวจะรวมลงที่จิตรวมลงได้ด้วยอํานาจของสัมมาสมาธิจิตที่ตั้งมั่นอยู่ที่จิตนี่เองเมื่อกําลังพอเนี่ย ม, มันจะดึงความดีทั้งหมดรวมลงมาคนโบราณนั้นเขาฉลาด เขาสร้างพระพุทธรูปขึ้นปางหนึ่งคือพระปางนาคปลกุกแล้วก็คิดแต่ว่าเป็นเรื่องพญานาคมุจลินเคยมากั้นฝนให้พระพุทธเจ้ากันน้ำกันฝนอะไรให้ท่านแต่ความจริงอีกในยะอีกความหมายหนึ่งพญานาคเจดเศียรนั่นก็คือองค์มรรคทั้ง7แต่มีตัวอันเดียวเห็นหมมันรวมลงมาแล้วพระพุทธรูปตรงกลางที่นั่งสมาธิพระนาคปลกต้องเป็นปางสมาธิ ก็คือตัวสัมมาสมาธินะนนองค์มรรคทั้ง7ที่เหลือเนี่ยจะรวมลงที่สัมมาสมาธิรวมลงที่ตัวพระพุทธรูปนั่นเองนะเห็นไหมคอของนาคนี่ยจะรวมลงมาที่พระเข้าหาพระองค์เดียวกันนั่นก็คือการประชุมของมรรคเรียกว่ามรรคสมังคีหรือมรรคสามังคนะีครูบาอาจารย์แต่ก่อนจะเรียกว่ามรรคสมังคีไม่เพียงแต่องค์มรรคทั้ง7รวมลงมาที่จิตนะ คุณธรรมฝ่ายดีนะศีล ส, สมาธิอะไรต่ออะไรทั้งมันรวมหมดนะโพ ธ, ธิปักชีธรรมอินทร์สีภะลนะอินทรีห้าละหอะไรนีรวมกำลังลงที่จิตความดีที่เราเคยสร้างสเปสปะเหมือนต่อจิกซอนะเราต่อสำเร็จลงที่จิตดวงเดียวนี่เองแล้วพลังของคุณงามความดีทั้งหมดนะนะั่นแหละถึงจะผนึกพลังเป็นหนึ่งด้วยสัมมาสมาธินะทำลายล้างอาสวะกิเลสออกไป จะฆ่ากิเลสตายฆ่าสังโยชน์ตายนะแต่ว่าทําลายอาสวะเนี่ยขั้นแรกมันแค่แหวกอาสวะออกนะแล้วก็ฆ่าสังโยชน์ตายไปบางส่วนกิเลสใต้จิตสํานึกเนี่ยถูกฆ่าไปบางส่วนแล้วอาสวะก็กลับมาปกคลุมจิตเหมือนเดิมต้องภาวนาต่อไปแบบเดิมนะนี่ได้โสดาบันครั้งที่1ครั้งที่2มันก็แหวกอีกครั้งที่สา ม, มันก็แหวกอีกแล้วมันก็เข้ามาคลุมอีกจนถึงครั้งที่4ีนั่นแะหละอาสวะกิเลสขาดสะบั้นออกไป เวลาบรรลุพระอรหันต์ท่านถึงใช้คำว่าจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะความไม่ถือมั่นหลุดพ้นจากอาสวะนะอาสวะมันห่อพุ่มจิตอยู่มันแหบบออกมาได้แล้วแตกสลายไปเลยนะไม่กลับมาอีกแล้วเนี่ยเราต้องฝึกสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นเนี่ยไม่ใช่แค่เกิดขึ้นในระหว่างที่ทำวิปัสสนาแต่เกิดในขณะแห่งอริยมรดด้วยเมื่อเกิดอริยมรด์ชั่วขณะเดียวนะ ก็จะเกิดอริยผลจิตจะสัมผัสพระนิพพานสเสวยความสุขอันเกิดจากอาริยมรรคสองสาขณะจิตสมาธิในผลลจิตในขณะแห่งอริยผลก็คือสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นเหมือนเดิมงั้นสมาธิสองชนิดนะสมาธิชนิดที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวอรมนโนปนิชฌานเนี่ยใช้ทำสมถกรรมฐานสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรียกลักขณูปนิชฌานเนี่ย ใช้ทำมิปัสสนากรรมฐานและเป็นสมาธิที่เกิดในอริยมรรคเป็นสมาธิที่เกิดในอริ ย, รยผลเนะนี่ยถ้าเราแยกสมาธิสองชนิดนี้ได้ถูกต้องแล้วเราฝึกจิตให้ตั้งมั่นขึ้นมาได้เราก็ทำวิปัสสนาได้ทำวิปัสสนาพอนะจนสติสมาธิปัญญาอัตโนมัตนะิมันจะตั้งลงที่จิตอันเดียวนะสติก็จ่อลงที่จิตนะไม่เคลื่อนปัญญาชําแรกลงที่จิตนะ สมาธิก็คือจิตตั้งมั่นอยู่กับตัวของตัวเองเนะนี่ยมันลงประชุมลงจุดเดียวกันในที่เดียวกันในขณะจิตเดียวกันมันถึงจะล้างกิเลสได้นะฟังแล้วเหมือนยากนะแต่ว่าไม่ยากให้พวกเราค่อยๆฝึกฝึกอันแรกเลยฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไว้อย่าล่องลอยไปพอจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวใจไหลไปคิดรู้ทันใจไหลไปคิดรู้ทันจิตใจก็จะอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกเราได้สมาธิชนิดตั้งมั่นแล้ว จากนั้นดูกายทำงานก็เห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งดูความสุขความทุกข์ก็เห็นความสุขความทุกข์อยู่อีกส่วนหนึ่งนะดนูกุศลอกุศลเห็ น, นกุศลอกุศลแยกออกไปอยู่อีกส่วนหนึ่งดูจิตใจก็อยู่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเรียกว่าเจริญปัญญานะแต่ละส่วนแต่ละส่วนนั้นตกอยู่ใต้ไตร ล, ลักษณ์ทั้งสิน้นตัวร่างกายตัวรูปธรรมเนี่ยดูว่าไม่เที่ยงดูยากนะดูที่ดูง่ายๆคือดูว่าเป็นทุกข์ มันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลายืนก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์เดี๋ยวก็ทุกข์อย่างโน้นเดี๋ยวก็ทุกข์อย่างนี้มีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาถ้าเราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเราก็จะแจ้งขึ้นมากายนี่ไม่ใช่ตัวเราเลยไม่ใช่ของดีของพิเศษเลยเป็นก้อนทุกข์ถ้าดูจิตดูใจนี่จะเห็นอนิจจังกับอนัตตาง่ายแม้เพราะจิตนั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยววก็ร้าายยนีี่่่แสดงงคมมไเท นะสุขทุกข์ดีชั่วที่เกิดขึ้นนั้นเราสั่งไม่ได้สั่งให้สุขมันไม่สุขห้ามทุกข์มันก็จะทุกข์สั่งให้ดีมันก็ไม่ดีห้ามชั่วมันก็ยังชั่วมันจะเห็นว่ามันบังคับไม่ได้นี่คือเห็นอนัตตางั้นถ้าดูจิตดูใจนะก็จะเห็นอนิจจังง่ายเห็นอนัตตาง่ายถ้าดูกายก็จะเห็นทุกข์ง่ายนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูเห็นอนิจจังทุกขขังอนัตตาอันใดอันหนึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันหมด คือเห็นแล้ววันหนึ่งมันก็รู้จริงร่างกายเป็นตัวทุกเป็นก้อนทุกนะเป็นวัตถุธาตุที่มีความทุ้งบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตใจก็เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเป็นของไม่เที่ยงเป็นของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเวลาแจ้งมันก็แจ้งอันเดียวกันนะคือแจ้งว่ามันไม่มีตัวมีตนต่อไปลึกซึ้งขึ้นมันก็จะแจ้งว่าเป็นตัวทุกนะทุกเพราะไม่เที่ยงทุกเพราะว่าเป็นทุก ถูกบีบคัน้นทุกว่าเพราะว่าบังคับไม่ได้ถ้าเห็นทุกจิตก็คืนขันให้โลกนะตอนที่จิตคืนขันให้โลกในครูบาอาจารย์ท่านเล่าบางองค์นะมีพ้าผ่าด้วยนะเทวดาสาธุกการโลกธาตุสะเทือนเหมือนเราฟังแล้วคล้ายๆหนังกําลังภายในหนังจกัจกจวงวงนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นแผ่นดินมันสะเทือนที่จริงไม่ใช่แผ่นดินสะเทือนจริงๆหรอก จิตเราและสะเทือนจิตเรามันสะทานหวั่นไหวว่าโอ้สัจธรรมแบบนี้ก็มีได้เหรอสั่นสะเทือนขึ้นมาในจิตสะเทือนทีเดียวโล ก, กระแทกทั้งโลกก็กระเถือนในความรู้สึกนะมันไม่ได้กระเทือนจริงกระเทือนในความรู้สึกที่เห็นฟ้าผ่าเปรี้ยงเลยนะลงมาจิตกระจายออกไปเป็นความรู้สึกนะนี่เราค่อยๆฝึกค่อยๆพัฒนานะจุดสําคัญ ที่จะแตกหักเลยว่าเราจะเจริญวิปัสสนาได้ไหมก็คือจิตเราตั้งมั่นไหมเมื่จิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราแยกธาตุแยกขันได้ไหมถ้าจิตตั้งมั่นแล้วแยกธาตุแยกขันได้ก็เห็นไตรลักษณ์ของขันได้ถ้าเจริญวิปัสสนาได้นะก็เป็นตัวชี้ขาดว่าจะบรรลุมรรคผลหรือไม่ถ้าไม่ได้เจริญวิปัสสนาไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้นะแล้วถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วก็มาแยกธาตุแยกขัน มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางก็ไม่สามารถทำวิปัสสนาได้นะเพราะนั้นพวกเราค่อยๆทำเหตุเป็นขั้นเป็นตอนไปเป็นลำดับไปฝึกจิตให้มีสมาธิฝึกจิตให้มีสตินะฝึกไปเรื่อยฝึกสติก็คือหัดรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกหัดรู้สึกไปเรื่อยต่อไปพอร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้จงใจจะรู้สึก มันรู้สึกของมันได้เองพอจิตใจเกิดความสุขแปลกปลอมขึ้นมาแวบเดียวท่านสติระลึกได้เองเนี่ยสติมันเกิดเพราะจิตมันจําสภาวะได้แม่นจิตจําสภาวะของรูปธรรมนามธรรมาได้แม่นถ้าเราหัดดูบ่อยๆถ้าเรานานๆดูทีจิตก็ไม่จําเราเคยชินกับความหลงนะจิตนก็หลงตลอดเลยแต่ถ้าเราคอยรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในกายรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในใจต่อไปสติมันก็เกิดเอง สติเกิดเองนั่นแหละเรียกสติอัตโนมัติค่อยๆพอกพูนจนมันอัตโนมัติที่ยิบได้ทั้งวันนะสมาธิก็เหมือนกันอยู่ๆมันไม่เกิดหรอกเราทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตไว้นะตรงนี้แหละที่หลวงพ่อสอนแล้วคนบางคนไม่เข้าใจตั้งแต่แรกนะนึกว่าหลวงพ่อต่อต้านการนั่งสมาธิตั้งต่อต้านทำไรหลวงพ่อนั่งสมาธิตั้งแต่7ขวบแต่สมาธิมันมี2ชนิด ที่หลวงพ่อเน้นมากๆคือสมาธิที่จิตตั้งมั่นถ้าไม่มีสมาธิอย่างนี้จเจริญปัญญาไม่ได้อันนี้จริงๆก็ไม่ใช่คําสอยของหลวงพ่อในตํำรับตํารานะเขาก็มีเรื่องสมาธิสองชนิดที่เรียกว่าอารามณูปนิชฌานจิตเพ่งอารมณ์อันเดียวสงบอยู่ในอารมณ์ันเดียวอีกการหนึ่งลักขณูปนิชฌานนีจิตตั้งตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่กับจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมา ครูบาจารย์สายปฏิบัติท่านก็สอนอย่างโลบุเทศท่านสอนบอกว่าสมาธิมีสองแบบนะอันหนึ่งท่านเรียกว่าฌานอันหนึ่งท่านเรียกว่าสมาธิอันเนี้ยท่านท่านใช้ศัพท์ที่ไม่ตรงกับตำราแต่สภาวะนั้นตรงกันท่านไม่ได้เรียนปริยัติท่านเลยใช้ศัพท์ไม่ตรงตำราคําว่าฌานของท่านก็คือจิตเนี่ยมันไปเพ่งอารมณ์ใดอันหนึ่ง เพ่งไปแล้วเมื่อเกิดสมาธิได้นะเกิดชั้นหนึ่งสองาห 5, 6, 7, 8ได้เหมือนกันแต่เป็นสมาธิที่ใช้เจริญปัญญาไม่ได้ทำความสงบเอาไว้พักผ่อนอย่างเดียวสมาธิที่ท่านเรียกว่าสมาธิที่จริงก็คือลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสมัยที่หลวงพ่อหัดกรรมฐานนะตอนแรกๆไปเรียนจากท่านพรีท่านสอนธรรมานาปนสติจิตไม่ตั้งมั่นแต่จิตสงบ จิตไปสงบอยู่กับแสงสว่างข้างหน้านะแล้วคราวนี้ใจมันอยากไปดูสวรรค์ดูอะไรนะตามแสงสว่างฉายแสงไปไหนใจก็ตามไปดูที่นั่นเลยจิตออกนอกนะฝึกไปฝึกไปแล้วก็รู้สึกว่าไม่เห็นมีประโยชน์อะไรไปเห็นเทวดาเขาก็ไม่ให้เราอยู่ด้วยนะมีของกินเขาก็ไม่ให้เรากินมีดอกไม้เขาก็ไม่ให้เราไปเฉยชมได้แต่ดูสมบัติชาวบ้านเขาเหมือนดูหนังเฉยๆไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็กลัวผีด้วย ออกไปแล้วถ้าไปเจอผีกลางทางนะจะกลัวเลยพยายามที่จะไม่ให้จิตออกนอกตรงที่พยายามไม่ให้จิตออกนอกนี่แหละกลายเป็นฝึกให้จิตตั้งมั่นพอจิตจะไหลออกนะรู้ทันจิตจะไหลออกแนละ้วรู้ทันหลวงพ่อเลยได้จิตที่ตั้งมั่นมาตั้งแต่เป็นฆราวาสนะไปหาครูบาอาจารย์บางองค์ท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้นะผู้รู้คือจิตผู้มีจิตที่ตั้งมั่นนั่นเองไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่ง เมื่อเรามีจิต ท, ที่เป็นผู้รู้แล้วเนี่ยการเจริญปัญญาไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะมันจะเห็นไกลไม่ใช่เรามันทํางานได้เองเห็นเวทนาคือความสุขทุกข์เห็นสังขารคือความปรุงดีพลุงชั่วมันทํางานของมันไปเรื่อยๆกระทั่งตัวจิตผู้รู้ก็มไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็เป็นอุเบกขาในตัวรู้นะมี2ออย่างคือสุขกับอุเบกขาแต่เวลาไหลออกข้างนอกนะมีสุขมีทุกข์มีอุเบกขาได้ครบเลย แต่ถ้าตั้งมั่นอยู่กับจิตยอย่างแท้จริงจะไม่มีตัวทุกข์จิตจะเป็นกุศลนะตัวนี้จิตจะมีแต่ความสุขกอุเบกขาค่อยฝึกนะค่อยๆฝึกไปเรื่อยไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรอกให้รู้สึกตัวนะรู้สึกตัวใจหนีไปคิดรู้สึกใจหนีไปคิดรู้สึกต่อไปจิตใจก็อยู่กับตัวเองแล้วดูธาตุดูขันทํางานแค่นี้เองนะดูกายดูใจทํางานก็จะเห็นแต่ไตรลักษณ เห็นแจ้งใจลักนะก็จะเห็นทำนะต่อไปพอถึงขั้นสุดท้ายขั้นจะแตกหักข้ามภพข้ามชาตินีจะเห็นทุกข์เห็นทุกข์แจ่มแจ้งเลยหลวงพุธุลเคยสอนนะท่านสอนเพ้าองค์หนึ่งครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านบอกว่าจะให้หลุดพ้นไปพ้นทุกข์ไม่ยากหรอกนะเนี่ยย้อนมาดูสิถ้าเห็นทุกข์นะเห็นทุกข์เนี่ยทุกข์ของกายทุกข์ของใจจิตมันก็ปล่อย เนี่ยครูบาอาจารย์สอนนะไม่ใช่ไม่สอนหรอกนี่แต่ว่าแต่ก่อนท่านไม่มีสื่อไม่มีซีดีไม่มีอะไรอย่างนี้เนี่ยนลวงพพูดใส่ซีดีออกอินเทอร์เน็ตมันไปทั่วโลกได้ครูบาอาจารย์แต่ก่อนเทศอยู่ในวัดไม่มีใครอัดด้วยนะอัดก็ไม่ค่อยได้โดยท่านไม่ค่อยยอมจะอัดบันทึกเอาไว้จะไปเผยแพร่ไม่ค่อยยอมหรอกท่านอยากให้เราภาวนาไม่ให้ถ้าเราอยางนี้เราจะย่อหย่อน หรือไปนั่งจดนะว่าท่านสอนอะไรนั่งจดนะจิตเราไม่มีสมาธิไม่ได้ประโยชน์มันเหมือนฟังเลคเชอร์ท่านไม่ยอมงัการเผยแพร่ธรรมะรุ่นก่อนๆเลยเผยแพร่ตัวต่อตัวหลวงพ่อมาปรับวิธีการหลวงพ่อดูแล้วไม่ใช่คารวะมันโง่ซะที่ไหนล่ะคารวะก็ไม่ได้โง่หรอกถ้าได้ฟังธรรมนะเขาก็ภาวนาได้พ้นทุกพ้นร้อนเป็นลําดับลําดับไปอย่างคารวะนี่แหละไปส่งกันบ้านที่สวนสันติธรรมที่สวนสันติธรรมเนี่ยจะมีพระอาคันตุกะมาเสมอเลย พระารยตุกาบอกกับหลวงพ่อนะเนืองๆ เ, เลยว่าน่ากลัวจังเลยโยมทำไมส่งกันบ้านน่ากลัวจังเลยเนี่ยเรายังทำไม่ได้เลยนะเราอายเลยแยกธาตุแยกขันเห็นใจรักจิตตั้งมั่นพูดแต่ละคำแต่ละคำน่ากลัวลูกเล็กเด็กแดงนะมันก็เก่งนะเมื่อเมื่อวานก็มีเด็ก14ปีในผู้หญิงอะ่ะก็ส่งกันบ้าน ว่าเนี่ยมันเห็นเลยตัวมันไม่ใช่ตัวเองตัวเองไม่มีอะ่ะไม่เห็นอะ่ะแต่ใจยอมรับไม่ได้นะใจกลัวมากเลยใจกลัวมากเลยว่าตัวเราหายไปนี่จริงมันเป็นการเจริญปัญญามาเป็นลำดับนะตรงที่เห็นมันน่ากลัวเนี่ยมันเป็นวิปัสสนาปัญญาอย่างหนึ่งนะเป็นพยาตูปัฏฐานญาณเห็นความเป็นภยัยความน่ากลัว เนี่ยเขาเจริญปัญญามาแล้วนะทำวิปัสสนามาเป็นลำดับนะเลยวิปัสสนูมาแล้วนะถึงจะมาถึงตรงนี้ได้นี่ลูกเล็กเด็กแดงเขาทำได้นะเขาสิบสี่ปีพวกเราใครถึงสี่สิบบ้างมีไหมใครต่ำกว่าสี่สิบยกมือสิโอสี่สิบขึ้นก็เยอะนะต่ำกว่าสี่สิบก็เยอะไม่สายเกินไปหรอกนะไม่สายภาพเปลี่ยนข้า ทำไมให้เด็กยกมือไม่ให้คนพูดเท่ากว่ายกมือเดี๋ยวคนพูดเท่าเมื่ยมือเรียกให้เด็กอ่อน อ, อนยกมือไห้เป็นไรการปฏิบัติไม่ยากถ้ารู้หลักนะถ้ารู้หลักแล้วไม่ยากเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เพวกเรามีหน้าที่ฟังทำแล้วต้องเอาไปทําถึงจะเป็นการเจริญปัญญาที่แท้จริงฟังเฉยๆเป็นสุดตรรมะปัญญาฟังแล้วก็เอาไปคิดเพิรเจอร์เอาเป็นจินตามะยะปัญญา ฟังแล้วไปหัดเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาเจนให้เป็นอัตโนมัตินี่เป็นภาวนามยปัญญาและวันหนึ่งเราจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าตัวจริงเป็นยังไงนะพระพุทธเจ้าพระองค์จริงเป็นยังไงพระพุทธเจ้าไม่ตายพระพุทธเจ้าที่ตายนั้นคือาธาตุขันต์ตายพระพุทธเจ้าจริงๆเป็นความบริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นอีกเป็นสิ่งซึ่งเป็นอมตะนะเป็นสิ่งที่เป็นอมตะ พวกเราค่อยฝึกนะเดี๋ยววันหนึ่งก็แจ้งไม่ยากเกินไปแต่ไม่ทำวันนี้ไปเจอพระศีอานก็ทำไม่เป็นอีกนั่นแหละอา้าววันนี้เท่านี้น ะ, ะาการมัสการหลงพ่อค่ะส่งการบ้านในรอบปีขึ้นค่ะก็สรุปเลยนะคะก็ช่วงที่ผ่านมารู้สึกว่าตัวเองรักษาศีลด้ดีขึ้นมากค่ะแล้วก็เห็นกิเลส ชัดขึ้นหลากหลายขึ้นแล้วก็ไวขึ้นรู้สึกว่าเริ่มจิตตั้งมั่นขึ้นมาเล็กน้อยเธ อ, อถูกแล้วล่ะค่ะแล้วก็จะถามหลวงพ่อว่าถ้าเรารู้ทันใจที่ไหลมาเรื่อยๆบ่อยขึ้นอย่างนี้จิตมันจะตั้งมั่นได้มากขึ้นแล้วก็ใช่เดี๋ยวจะแยกขันได้เองใช่ไหมคะมันแยกได้นะเห็นไหมกิเลสกับจิตเป็นคนละอังเห็นแต่มันไม่ไม่ใชัดค่อยฝึกไปนะค่ะต่อไปก็จะเห็นนะกิเลสก็สวยกิเลสจิตก็ส่วนจิตนะ คละขันกันกิเลสเป็นสังขารขันจิตเป็นวิญญาณขันความสุขความทุกข์กับจิตเกโคนละอนกันค่อยๆหัดดูไปคนละขันความสุขความทุกข์เป็นเวทนาขันจิตเป็นวิญญาณขันเห็นกายกับจิตเป็นโคนละอันไหมดูกายชัดถ้าดูกายชัดดูกายเป็นหลักไว้เลยะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกดูตัวนี้เป็นฐานไว้ <c oughs> ใช้กายเป็นวิหารธรรมะค่ <c oughs> เราไปนควรัก ส, สุขรักสบายรักสวยรักงามดูกายไว้ถ้าดูอสุภะด้วยได้ไหมคะไม่ไม่ดีเป็น <c oughs> สมถ <c oughs> นะค่ะให้ดูของจริงคือร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเรา <c oughs> ดูไปเรื่อยๆอย่างนี้ <c oughs> เป็นวัตถุที่เคลื่อนที่ได้แล้วจิตตั้งมั่นกับการเห็นกระบวนการทํางานของจิตมันคนละอย่างกันใช่ไหมคะจิตตั้งมั่นนะั่นแหละทําให้เราสามารถเห็นอะไรต่ออะไรได้ ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเยอจิตก็ไหลไปก็ไม่รู้อะไรจริงค่ะเพราะั้นจิตตั้งมั่นเป็นต้นทางของการทํำวิปัสสนานะกาทำวิปัสสนานเราเห็นกระบวนการทํางานเห็นอะไรอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าจิตต้องตั้งมั่นก่อนน่าเชิญนมาส ก, การเจ้าค่ะหลวงพ่อโยมเคยส่งกันบ้านเมื่อปีที่แล้วมิถุนาเจ้าค่ะปีเสรแล้วเจ้าค่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงไหม เห็นความเปลี่ยนแปลงเจ้าค่ะคือโยมมีสติเร็วขึ้นเจ้าค่ะแล้วก็โยมเคยปไปปฏิบัติโยมเดินจงกรมนะคะแล้วก็ได้ฟังซีดีหลวงพ่อบ่อยนะคะก็มาจับจุดได้ว่าหลวงพ่อว่าเป็นเคล็ดลับในการถ้าเดินจงกรมหรือนั่งสมาธินี่ทำสบายให้สบายสบายสบายกายสบายใจแล้วก็เคล็ดลับก็คือทำเล่นๆ น, นะเจ้าค่ะ โยมก็ได้หลักนี้ไปเดินจงกรมแล้วก็แต่โยมใส่ใจลงไปในการทำนะคะเห็นสตินะคะเห็นไปเหยียบตอนไมปบายไปเหยียบทรายนะคะเย็นใต้ต้นไม้นี่ชอบมากเลยเจ้าค่ะแล้วก็ไปเหยียบทรายตรงที่ไม่มีต้นไม้อ่ะร้อนไม่ชอบอ่ะเห็นความไม่ชอบแล้วก็ไปเหยียบถูกหินที่มีหินกว่าที่ก็ทุบทุบปนกับทรายไม่ชอบมากเห็นสามสเตปเลยคะชอบ แน่ชอบมากไม่ค่อยชอบแล้วไม่ชอบเลยเจ้าค่ะแล้วก็โยมก็อยากรู้ว่าเอ๊ะเดินไปที่ตรงหินลองดูที่ใจมันก็รู้ว่าอยากจะลองไปเดินไปตรงนั้นอีกทีหนึงว่ามันเป็นยังไงรู้ว่าอยากลองก็เดินไปเดินมาจนรู้สึกจิตตื่นเบิกบานนะเจ้าค่ะนะเรารู้จักดูจิตแล้วดูจิตก็ดูอย่างนั้นแหละเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยถ้าเรารู้ทันสภาวะที่กําลังปรากฏขึ้นสดๆร้อนๆนะจิตก็ตั้งมั่น นะแล้วก็โยมรู้สึกว่าจิตตื่นเบิกบานต้องหลายชั่วโมงนะเจ้าค่ะรู้สึกผ้าลงมาเทศอะไรโยมก็รู้สึกอรู้สึกขำรู้สึกมีอารมณ์เบิกบานอยู่เรื่อยสี่ห้าชั่วโมงเจ้าค่ะแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งโยมไปโรงพยาบาล น, นะเจ้าค่ะหมอให้นัดให้ไปเอาอยานะคะโยมไม่ได้ไม่ได้กําหนดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย โยมไปเห็นพยาบาลพูดในไม้เสียงดังมากแล้วก็เร็วโยมทำไมไปได้ยินเสียงอ่ะสูงสูงต่ตําๆนะเจ้าคะแล้วเราเห็นรูปเราไปดูรูปฮ่าสูงสูงต่ตําๆแล้วโยมก็รู้สึกว่าสัญญาเ้ามาจําแล้วจิตมาตึกนึกแล้วก็มาคิดเป็นคําแปลของเขาว่าเขาบอกว่าเออบัตรสีเขียวใส่ตรงโน้นบัตรสีเหลืองใส่ตรงนี้บัตรของโรงพยาบาลที่หมอนัดใส่ตรงนัน้น โยมถึงมาแปลว่าอ๋อเป็นความหมายอย่างนั้นแรกๆเห็นเป็นเสียงสูงๆต่ําๆโยมก็นึแปลกใจว่าูปไะทําถูกก็เปล่าใช่ไหมคถูกสินั่นแหละเราเห็นกระบวนการของมันแล้วเราเห็นวิถีของจิตในการขึ้นมาทํางานหูได้ยินเสียงส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจสัญญาณเข้าไปแปลแล้วก็ปรุงะอรู้เรื่องราวขึ้นมาแล้วก็อาจจะปรุงต่อเช่นยายคนนี้พูดซ้ำซากน่าลำคานอย่างเงี้ยใจ อาจจะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลเกิดอกุศลปรุงต่อไปได้อีกเจ้าค่ะนั่นแหละเห็นถูกแล้วนะไปฝึกต่อแล้วเจ้าค่ะแล้วก็โยมอยากทราบว่าจิตเผลอเนี่ยก็จิตจิตเผลอก็จิตออกนอกนี่มันเหมือนกันเหมือนกันอะไรค่ะจิตออกนอกจิตไม่ตั้งมั่นก็ลืมตัวเองไหลไปแต่โยมขึ้นรถเมย์อย่างนี้เห็นพอแรกๆก็นั่งเห็นตัวเองว่านั่งอยู่เห็นคนขึ้นรถเมย์มาคนแก่โยมก็จิต รู้ว่าจิตมันออกนอกไปว่าจะลุกให้นั่งดีไม่ดีแล้วคนแก่ของหาที่นั่งได้ก็เลยไม่ได้ลุกเห็นจิตออกนอกแล้วก็เอ๊ะเราเผลอไปแล้วเนี่นาแล้วก็มาดูการนั่งต่ออย่างงี้ต้องออกมีตาต้องดูมีหูต้องฟังนะ ะ, ะแต่ว่าเมื่อกระทบอารมณ์แล้วยินดียินร้ายหรือสุขหรือทุกข์เนี่ยค่อยรู้เอาค่ะคําว่าไม่ออกนอกเนี่ยหมายถึงว่าเมื่อเห็นก็ต้องมีสติไม่ได้ยินแล้วก็มีสติน ะ, ะ, ะไม่ใช่ห้ามดูห้ามฟัง หลวงปูดูลบอกธรรมชาติของจิตต้องออกนอกแต่จิตที่ไม่ได้ฝึกเนี่ยพอออกนอกแล้วก็เพิ่มบั่นไหวยินดียินร้ายไป <Okay. S 2> จิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยออกนอกแตแ่แค่กระทบอารมณ์นะแล้วก็ไม่กระเพิ่อมบั่นไหวเป็นกลาง <Yeah. S 2> ไม่ใช่ไม่ไม่ตาไม่ดูหูไม่ฟังใจไม่ชิดไม่ใช่ะ <Okay. S 2> อะให้โยมคนอื่นบ้าง okay. <Nam> น้ำมันสกัดภาวนาดีนะไปทําต่อ <Okay. S 2> หัดดูกิเลสไปเรื่อยๆนะโยม โดูคีรีตกลับนบักการหลวงพ่อค่ะโยมฟังซีดีมาประมาณสองปีแล้วส่งการบ้านเป็นครั้งแรกค่ะคือโยมก็จะดูกายเคลื่อนไหวแล้วก็ดูใจทํางานแล้วก็อยู่กับพุทโธเผอไปแล้วก็จะรู้รู้สึกว่าสติเกิดบ่อยขึ้นนะคะนั่นก็ ถ, ถูกแล้แลวตอนนี้รู้สึกว่าเห็นกายกับใจเป็นคนละส่วนแล้วค่ะโอดีเห็นจริงแล้วบอกทวี ง, งพ่อจริงนะคะขอบคุณค่ะจริงสิ ขอบคุณตัวเองที่ทำขอบคุณค่ะแล้วไม่ทราบคือตอนนี้เริ่มเห็นว่ากายไม่ใช่เราค่ะแล้วเริ่มกลัวนี่จริงหรือเปล่าจริงคือเห็นแล้วแบบมันตกใจกลัวขึ้นมาเลยมันกลัวนะมันยังยอมรับความจริงไม่ได้เห็นจริงใช่ไหมคะเห็นสิก็เลยกลับไปอยู่กับตัวแล้วก็กลัวแล้วก็แบบให้รู้ทันว่ากลัวรู้ทันว่ากลัวก็เลยกลับมาเออแล้วอย่าให้ความกลัวครอบงําจิตเนี่ยรู้ทันมันก็ดับไปค่ะนี้คือโยมปฏิบัตินี่อยู่ในแนวทางใช่ไหมค่ะหลวงพ่อเป๊ะขอบคุณค่ะแล้วตอนนี้ไม่ทราบว่าโยมจะดูเวทนาตอนเนี้ย เริ่มดูเวทนาต่อตัวไหนมันเด่นดูตัวนั้นตอนนะตนี้เวทนาจะดูง่ายกว่าค่ะเพราะว่าดูกายดูใจกุลส่วนได้ <Okay. S 1> คือพอปัญญาเราเริ่มสติสมาธิปัญญาเริ่มแก่กล้านะมันก็ขยบจากกายขึ้นมาเวทนาขยบจากการดูจิตว่าดีไม่ดีอะไรเนี่ยขึ้นมาเห็นกระบวนการทํางานของจิตขยบการที่เห็นจิตมีราคะจิตไม่มีราคะมีโทสะไม่มีโทสะเนี่ยอยู่ในหมวดจิตตาทุกปัสนา เรที่เห็นกระบวนการทํางานของจิตเนี่ยขึ้นมาทํหมาโนปัสสนะอันนี้โยมก็เริ่มเห็นแล้วเริ่มวิปัสสนานี่ใช่ไหมคะคือยังไม่แน่ใจตัวเองเพราะว่าไม่ได้ก็รเริ่มแล้วละเริ่มแล้วใช่ไหมที่ ม, มาถูกทางนะคะหลวงพอ่อถูกถแล้วการบ้านค่ะหลวงพอ่อไปทาอีกอย่าโลภไม่โลภค่ะคือกราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากค่ะจะปฏิบัติถวายเป็นทศกุลช้าและถวายหลวงพ่อด้วยค่ะช้าทุกขชอบมากเลยลูกศิษย์ปฏิบัติเนี่ย จริงๆต้องขอยอมรับว่าไม่มีการบ้านมาส่งหลวงพ่อเพราะว่าคือตั้งใจปฏิบัติหลายทีแต่ด้วยความที่มันมีเรื่องงานที่เราต้องคิดแล้วก็เรื่องเรียนเข้ามาเยอะก็เลยทำให้เราลืมตัวไปบ่อยอะค่ะใช่ยังมีเวรวัยเรียนนะวัยทำงานจดจ่อกับการเรียนการทำงานนั่นถูกแล้วแต่พอเวลาที่ไม่ได้เรียนเวลาที่ไม่ได้ทางานใจจะฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยเราคอยรู้เอาตอนนั้น ตอนเรียนก็นเรียนไปแล้วก็พอดีจะมาลาหลวงพ่อด้วยเพราะว่าจะไปศึกษาต่อต่างประเทศนะคะก็ไปประเทศไหนไปฝรั่งเศสค่ะก็ขอฝากคุณแม่ไว้ด้วยเพราะว่าต้องให้คุณแม่อยู่คนเดียวปีนึงก็เลยแต่คุณแม่มาหาหลวงพ่อบ่อยค่ะก็ยังไงก็ฝากวค่ะไหนคุณแม่อยู่ไหนอยู่ข้างหลังค่ะอ๋อค่ะขอบคุณไปนะไปอยู่ต่างประเทศนะมีสตินะ มีสติมีสมาธิมีอะไรจิตใจเราจะได้สบายบางคนไปอยู่ต่างประเทศนั่งเหงาทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยหรือไม่ก็เตลิดเปิดเปิงไปเลยสนุกนั้นเราพยายามมีสติเรื่อยๆมาสักการหลวงพ่อครับ เ, เมื่อสองปีที่แล้วมาส่งกันบ้านครั้งหนึ่งแล้วก็หลวงพ่อให้การบ้านว่าให้ไปดูใจรักทีนี้หลังจากที่กลับไปเนี่ยก็ยพยายาม กลายเป็นพยายามที่จะดูไตลักมันเกิดความเครียดขึ้นมาใช่พยายามไม่ได้ครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเกิดความเครียดก็รู้ว่าผิดทางอืก็ยิ่งก็ยิ่งเครียดหนักเข้าไปอีกก็เลยเลิกปล่อยครับถูกแล้วไม่ทําอะไรเลยถูกแล้วทําผิดแล้วอ่ะในช่วงที่เลิกไปเนี่ยก็คือพอหลงไปหรือว่ามีความอยากจะได้อะไรเนี่ยมันรู้ขึ้นมาเองอแต่เราก็ไม่ได้สนใจมันก็คือปล่อยมันไปเรื่อยๆจนวันนึงเมื่อเร็วๆนี้อ่ อ่ะระหว่างระหว่างที่เลิกทําไปเนี่ยก็ฟังฟังซีดีของพระาอาจารย์องค์อื่นๆอยู่เรื่อยๆทีนี้พอเร็วๆนี้เนี่ยก็นึกอยากจะทําขึ้นมาอีกก็เอาซีดีหลวงพ่อมาฟังแล้วก็พอฟังไปเนี่ยก็ก็พยายามอีกพอพยายามอีกเนี่ยก็เครียดอีกจนสุดท้ายมันทนไม่ไหวมันบอกว่ายอมจะเครียดก็เครียดแล้วก็ไม่ทําอะไรละจนมันมันเห็นมันเห็นว่าอารมณ์ที่เครียดหรืออารมณ์ที่เข้ามาเนี่ย กับอารมณ์ที่รู้รู้ทันมาเนี่ยมีความเสมอ ER กันา อ, อก็คือไม่ให้ค่าอะไรมันเลยเจนสุดท้ายรู้ว่าเพราะจนสุดท้ายเนี่ยพอไม่ให้ค่ามันก็รู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เราละมันมันคนละเรื่องกับเราเอืมตอนนี้ตอนนี้เป็นอย่างเนี้ยครับหัดอย่ารีบร้อนนะถ้าโลภเนี่ยเหนื่อยค่อยดูเล่นๆไปตาหูจมูกล่้นกายใจกระทบอารมณ์ใจเราเปลี่ยนค่อยรู้ไปเรื่อย เราจะเห็นว่าใจมันเปลี่ยนได้เองมันไม่ใช่เราหรอกมันทํางานได้เองมันจะสุขจะทุกข์จะดีชั่วมันทําเองตอนนี้คนดูไปตอนนี้ที่รู้ก็คือมันจะรู้แบบเบาๆก็คือคือเราไม่ให้ค่าของการรู้แล้วก็ไม่ให้ค่าสิ่งที่มากระทบมันก็เลยรู้สึกว่าเบาเพอเบาแล้วมันก็รู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เราอย่าไปเอาความเบาด้วยนะครับหนักก็รู้เบาก็รู้ก็เห็นมันทําได้เองครับถ้ามุ่งเอาความเบามันจะยิ่งเบาไปเรื่อยๆ ต่อไปเบาวิวนะจิตแปรรูปเลยครับขอบพคุณหลวงพ่อดีทำได้ดีขึ้นแล้วละ่ะนมาส ก, การหลวงพ่อครับออขออนุญาตเรนถามว่ากรณีเราเห็นไตรลักษ์เนี่ยไตรลักษีเ์เป็นสภาวะธรรมหรือเปล่าครับเป็ น, น, น, ปนดูนนไปนะครับดูไตรลักษ์ไป สภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยมีคุณสมบัตินะมีลักษณะในไตรลักษณ์นั่นเองครับไม่ใช่เป็นการเห็นแบบเชิงเปรียบเทียบแบบ ไ, ไดนา ม, มิกไม่ใช่นะไม่เปรียบถ้าเห็นว่าราคากะระทอสะเป็นคนละอันเพราะไม่เหมือนกันเลยยังไม่ขึ้นวิปัสสนาหรอกต้องเห็นว่าราคาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่แสดงว่าราคาไม่เที่ยงมันเห็นเอง ราคาเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ได้ไม่นานนี่ราคาเป็นทุกข์ถูกบีบคั้นอยู่ราคาจะเกิดหรือราคาจะดับอยู่ที่เหตุไม่ใช่เราสั่งนี่เห็นอนัตตาตัวมันอันเดียวนะอถ้าเห็นหลายตัวเปรียบเทียบกันเนะี่ยยังไม่ขึ้นนี่ปรัชนาจริงคือถ้าขึ้นนี่ปรัชนาหมายครับว่าเห็นแล้วมันรู้เป็นเห็นทุกตัวนะสภาวะทุกตัวนั่นแหละแสดงใจรักนะครับอย่างนี้กรณีเราเห็น เห็นทุกข์นี่คำว่าเห็นทุกข์หมายคือว่าเห็นลักษณะความบีบคั้นทนอยู่ไม่ได้ของเขาท่านนั้นเองใช่ไหมฮะใช่อันนั้นเห็นทุกข์ขังนะทุกขลักษณะเขาถูกบีบคั้นอย่างร่างกายที่นั่งอยู่นี้ก็ถูกบีบคั้นทําให้นั่งตลอดไม่ได้จิตใจที่สงบอยู่นี้ก็ถูกบีบคั้นอารมณ์มาบีบคั้นทําให้งสงบตลอดไปไม่ได้มันถูกบีบคั้น คำว่าทุกมีหลาในยะนะใช่ฮะถ้าทุกขสัตว์เนี่ยนะตัวขันนั่นแหละคือตัวทุกคือทุกในอริยศาสตร์คือตัวเห็นเห็นแบบนี้หรือเปล่าครับไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะอ๋อไม่ใช่นะมันแจ้งไปอีกระดับหนึ่งเดี๋ยวค่อยเห็นอ่ะเอาไว้ตั้งแต่พระอนาคาข์ขึ้นไปเนี่ยเห็นอ๋อเอออันนี้ถ้าเป็นปฏิบัติระดับนี้ไม่มีทางเราดูใจรักทดูทุกข์ขังเป็นทุกข์ขังแบบแบบสมถะเทุกขารักษณะมันทนไม่ได้ เรายังไม่เห็นหรอกว่าเป็นทุกขสัตว์ับเห็นทุกขสัตว์มันจะทิ้งแล้วจะปล่อยแล้วอ๋อเห็นตอนปลายตอนนู้นนะใช่ครับอันนี้เราพยายามปฏิบัติมิปัสนาในลักษณะเห็นใจรักไปก่อนที่เรางพบอกว่ามันมีสองขั้นครับขั้นแรกเห็นมันแสดงใจรักไปเรื่อยนะใจมันจะแจ้งว่าไม่ใช่ตัวเราเอาตัวนี้ก่อนได้โสตาก่อนแล้วก็เห็นใจรักต่อไปเรื่อยๆสุดท้ายรู้เลยว่ามีแต่ตัวทุกข์ไม่มีตัวดีเลย มันจะแจ้งไปอีกขั้นหนึ่งครั บ, รบขอบคุณครับนมัสการค่ะพระอาจารย์หนูฟังธรรมของพระอาจารย์มาสี่ปีแล้วก็เริ่มปฏิบัติจริงๆประมาณสองปีค่ะแล้วก็แต่เดิมนี่เป็นชาวภูมิสัตว์นรกกับอสุรกายแต่ว่าหลังจากปฏิบัติแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองโทสะเบาบางลงแล้วก็ทิฏฐิมนะลดลง แล้วก็มองคนอื่นด้วยความเป็นมิตรมากขึ้นแต่ว่าหนูก็สงสัยว่าหนูติดอยู่ในภพภูมิความดีงามที่ตัวเองสร้า ง, งขึ้นมาป่ะยังยังไม่ติดะนะยังไม่ติดหรอกจิตยังเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ธาตุขันแยกอยู่ไม่เป็นไรรู้สึกไหมมันแยกขันได้ไหมน ะ, ะขันมันแยกแล้วเดินปัญญาไปเรื่อยคือถ้าขันแยกได้แล้วเราก็เห็นมีจิตตั้งมั่นหเห็นขันแยกนะจิตตั้งมาแล้วขันถึงจะแยก แล้วขันแสดงไจรักจิตเป็นแค่คนดูเนี่ยแหละเราเจริญอย่างนี้น ะ, ะบางคนก็เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีอะไรเงี้ยที่ท่านว่าแล้วก็การปฏิบัติในรูปแบบของหนูนี่คือว่าหนูจะ บ, บริกรรมพุทโธแล้วก็พอเวลาจิตเคลื่อนไหวก็จะรู้สึกแล้วทีนี้แต่ว่าหนูก็จะมีการอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับผู้มีพระคุณแล้วก็ ผู้ที่มีเวรกรรมต่อกันทีนี้หนูก็สงสัยว่าหนูจะติดในศีลพตะปรามาหรือเปล่าคะไม่ไม่ติดการอุทิศส่วนบุญเนี่ยเป็นของดีนะเป็นบุญกริยาวัตถุเป็นหนึ่งในสิบของบุญนะอุทิศส่วนบุญก็เป็นบุญนะเห็นคนอื่นเขาทาบุญเราอนุโมทนาก็เป็นบุญอีกไหมบุญมีตั้งเยอะแยะนะบุญจากการแสดงธรรมก็มีบุญจากการฟังธรรมก็มีเพราะงั้นวันนี้เราเป็นบุญด้วยกันนะ หลวงพ่อส่แดงทรรมก็เป็นบุญพวกเราฟังทรรมก็เป็นบุญเห็นไหมถ้าฉลาดนะบุญเยอะแยะเลยแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะคือว่าหนูเป็นคนขี้คลาดแล้วก็ขี้กลัวกว่าจะส่งการบ้านพระอาจารย์ก็รวบรวมความกล้ามานานหนูก็เลยถ้าเกิดหนูก็เลยสงสัยว่าถ้าหนูเพียรปฏิบัติไปเรื่อยๆโดยไม่ค่อยมาส่งการบ้านพระอาจารย์หนูจะบรรลุไหมคะ ถ้าปฏิบัติถูกก็บรรลุนะถ้าไม่ไปติดข้างทางซะก่อนแล้วหนูไม่ทราบว่าหนูปฏิบัติอยู่ในในร่องในรอยหรือเปล่าอ่ะค่ะตอนนี้ก็อยู่นะแต่กับดักมันเยอะอยงั้นมาส่งกันบ้านได้ก็ามาอย่าไปกลัวค่ะค่ะครับที่<ร>ทําอยู่นะดีนี่ตั้งแต่ส่งมาดีทุกคนเลยนะใช้ได้หมดเลยเดี๋ยวนี้คนแยกธาตุแยกขันได้เนี่ยเยอะแยะมากเลยนะ ถ้าทำตรงนี้ได้ก็คือทำวิปั ส, สนาได้ก็เห็นใจรักได้ทำวิปั ส, สนาได้นะมรรคผลนิพพานไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่จะเป็นละนท่านถึงบอกว่าถ้าเจริญสติปัฏฐานนะแต่เจริญสติปัฏฐานแบบเป็นวิปั ส, สนานะโลกจะไม่ว่างจับพลาละหันข่าวที่แล้วส่งการบ้านหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่ากิเลสหน้าตาเหมือนกุศลไอ้ทราบว่าช่วงนี้ ยังมีกิเลสตัวไหนที่เป็นตัวเด่นตัวอุทธัจจะะไงอุทธัจจะหรือคะฟุ้งในธรรมฟุ้งในธรรมเช่นมันจะดูว่าทําไงจะดีวันนี้แค่นี้ก็ฟุ้งละออืส่งวันที่แล้วก็ปฏิบัติเหมือนทุกวันนะคะแต่ว่ามีแต่โมหะอืก็ทําไงดีก็แล้วก็ ที่เห็นอย่างนั่งฟังธรรมเนี่ยคะ่ะจิตก็กระเพื่อมสันสะเทือนตลอดเวลาออแล้วก็ทั้งวันทั้งคืนเห็นทุกข์ไหมเห็นเจ้าค่ะนั่นแหละถ้าเราเห็นจิตกระเพื่อมทั้งวันทั้งคืนนะเราจะเห็นทุกข์ที่แสนสาหัสเลยเมื่อตามองเห็นจิตก็กระเพื่อมเมืม่อหูได้ยินเสียงจิตกระเพื่อมเมืม่อใจคิดจิตก็กระเพื่อมมีแต่ความกระเพื่อมสันไหวนะ จะเห็นแต่ทุกข์เลยกลับไปนี่วิธีที่จะเบรกตัวเองเป็นช่วงๆก็คือทำสมถะช่วงนี้โยมจิตมีกำลังบ้างยังคะมีมีแล้วใช่ไหมคะเพราะคราวที่แล้วว่าหลวงพ่อให้ทำให้ทำความสงบเข้ามาแต่ทำอีกน ะ, ะต้องทำอีกไม่งั้นจิตจะฟุ้งในธรรมค่ะแล้วก็มีมีอะไรที่ทำผิดนอกจากนี้อีกไหมคะจิตถึงฐานไหมขนานี้จิตตอนนี้หรอคะ ก็เป็นระยะเป็นระยะค่ะขตอนนี้่ะตอนนี้ไม่ค่ะอตอบใช้จะได้แล้วช่วงนี้โยมจิตไม่ค่อยเป็นกลางหรือคะคือต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นให้มากแล้วฝึกให้จิตตั้งมั่นให้มากมหน่อยจะได้มีพลังค่ะโดยรวมแล้วก็จะเป็นฝึกสมาธิแบบจิตตั้งมั่นอยู่แล้วนะคราบฝึกไปเรื่อยๆแล้วถ้ามันไม่มีแรงก็ทําความสงบ ได้สมาธิสองชนิดเนี่ยดีที่สุดเลยส่วนใหญ่แล้วโยมจะนั่งคือทำควบคู่กันไปออใช้ได้ไหมคะได้ทำเป็นก็ได้ทำไม่ทไม่ถูกบ้างเคะทำไปอีกนะทาอีกนะคะออทไปให้ใจมีเรียวมีแรงมากๆหน่อยนะให้ใจตั้งมัน่นฝึกให้เยอะเลยการปฏิบัติเนี่ยยิ่งละเอียดขึ้นไปนะสติก็ต้องละเอียดสมาธิก็ต้องละเอียด สมาธิต้องต้องต้องดีดเพราะว่าธรรมะมันละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆอย่าเราเห็นความไหวอย่ะงเงความไหวเป็นของละเอียดนะค่ะเพราะฉะนั้นจิตเราต้องตั้งมั่นจริงๆถึงจะเห็นชัดถึงจะเห็นไตรลักษณ์ได้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจริงๆไปเห็นความไหวไปเห็นธรรมะที่ละเอียดเนี่ยจะหงุดหงิดนะแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่หงุดหงิดค่ะก็ดูความกระเพื่อมแล้วก็ผ่านไปผ่านไปเอแต่ดูใจต้องไม่ไหลาตามนะ เวลาดูความกระเพื่อมจิตไม่เข้าไปอยู่ในความกระเพื่อมนะถ้าไหลตามไหลตามมันจะสบายสบายไปยังเข้าไปอยู่ไหมคะฮะโยมยังตามเข้าไปเหรอคะตั้งมั่นไหมล่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะขนาดใดตั้งมั่นมันก็ไม่รวมเข้าไปค่ะนะแสดงว่าต้องฝึกสมาธิไมกกวานี้อีกนะคะใช่ยิ่งเดินปัญญาขั้ละเอียดขึ้นไปก็ต้องสมาธิต้องดี จับไปกล่าว <ไป S 2> ละมัศสสการพระอาจารย์ค่ะหนูขอส่งกันบ้านในรอบหนึ่งปีะค่ะคือว่าก็รู้สึกว่าตัวเองมีสติเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อะค่ะคือว่าตอนนี้คือศีลห้าเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเรารักษาดีดีขึ้นเยอะมากนะคะแล้วก็ทําความดีมากขึ้นกว่าที่เคยที่ไม่ปฏิบตะะัติค่ะแต่ว่าทําไมเราถึงเห็นตัวเราร้ายขึ้นทุกวันทุกวันนะคะนั่นเราเห็นตัวจริงนะ แต่เติมเราใส่หน้ากากไว้หลอกคนอื่นเราเลยหลอกตัวเองด้วยจริงๆแต่ละคนเราซ่อนกิเลสไว้เต็มไปหมดเลยะเพราะฉนั้นยิ่งปฏิบัตินะยิ่งเห็นกิเลสยิง่งเห็นกิเลสมากกิเลสยิ่งครอบงําไม่ได้ยิ่งทําความดีง่ายขึ้นเรื่อยๆแปลว่าดีใช่ไหมคะดีพระเจ้าสอนนะถ้าจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลดีท่านว่าอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าไม่ดีเรา เ, เห็นไห้ไร้ายมากเลย ร้ายกว่าที่คิดร้ายมากเลยประเทอาฆาตพยาบาทก็ได้นก็โมโหขี้ฉิจฉาริษยาอะไรเงี้ยคือเห็นเห็นมากๆเลยค่ะดีเล้าหนูปฏิบัติเป็นยังไงบ้างคะก็หนูเหมือนเมื่อก่อนไหมเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนแล้วนี่ไม่ไม่เหมือนนะคะดีไปทาต่อกราบขอบพระคุณค่ะธรรมสการหลวงพ่อครับ มีทั้งที่จะรายงานแล้วก็มีทางที่จะส่งการบ้านก็เพิ่งไปเปลี่ยนกรรมฐานมาครับมาถึงว่าเปลี่ยนวิธีการปฏิบัตินะครับก็คือก่อนหน้านี้ใช้หายใจเข้าหายใจออกอนับหนึ่งนับไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเพิ่งมาสังเกตช่วงหลังๆว่ามั น, ม, นมันไม่ใช่อ่ะครับ ม, มันไม่ได้ทำให้จิตตั้งมั่นขึ้นแล้วมันพอทำแล้ว แต่ก่อนไม่รู้ว่า ม, มันเป็นโมหะอืมครับหลังๆเพิ่งจะมาเห็นก็เลยไปลองเปลี่ยนดูรู้สึกว่าเปลี่ยนก็คือมาท่องอิติปิโสก็ท่องไปเรื่อยๆครับรู้สึกว่ามันท่องได้เอแทบจะทั้งวันแล้วก็ดูจิตที่ไหลไปได้ทั้งวันใช่ได้แต่กรรมฐานสําหรับแต่ละคนไม่เหมือนกั น, นที่หลวงพ่อบอกไม่มีสูตรสําเร็จนะเราฉลาดเราก็ดูเอาว่าเราเหมาะกับอะไรถ้าเราฝึกอะไรแล้ว สติเกิดบ่อยก็เอาวันนั้นแหละสวัสดีปิโสแล้วก็รู้ทันจิตที่ไหลครูบาอาจารย์ท่านไม่สวัสดีปิโสท่านแค่พุโทโธธรมโมสังโฆแล้วท่านก็เห็นจิตไหลหรือท่านเห็นพุโทโธพุโทโธท่านก็เห็นจิตไหลนแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่าถึงขนาดท่องจินตบัญชรแล้วดูจิตไหลก็เยาวไป อ, อแล้วก็ช่วงนี้มันมันก็ไม่ได้เห็นบ่อยครับแต่มันรู้สึกว่า เวลาที่สติรละลึกรู้จิตที่มันไหลไปอะครับมันไม่รู้มันจริงหรือเปล่านะครับมันรู้สึกว่ามันเห็นว่ามีหลังจากที่รู้แล้วมันจะเห็นความเป็นทุกข์อยู่แป๊บหนึ่งเห็นอะไรนะความเป็นทุกข์จากการที่จิตไหลไปอะครับโอ้ดีมากเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เห็นบ่อยเลยรู้สึกว่ า, าอยากอยากเห็นนะครับถ้าเห็นเองอะดีมากๆเลยจะเห็นเลยว่าจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตก็มีความทุกข์ ที่หลวงพ่อพูดบ่อยๆนะต่อไปก็ไปรู้สึกเนจิตอยากจิตยึดจิตทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์ก็เลยจะเอาจิตที่ไม่อยากจะเอาจิตที่ไม่ยึดจะเอาจิตที่ไม่ทุกข์อันนี้ไม่ถูกแล้วนะเอาแค่รู้ว่ามันไหลไปแล้วทุกข์ต่อไปมันก็ไม่ยึดอ่ะไม่ยึดทั้งจิตไหลทั้งจิต ท, ที่ตั้งมัน่นถ้าอย่างจะเกลียดอันนึงจะว่าอันหนึ่งนะยังไม่เป็นกลางครับ แล้วก็อีกคําถามสุดท้ายไม่รู้จะถามดีหรือเปล่าถ้าเกิดหลวงพ่อไม่เห็นสมควรไม่ตอบก็ได้นะครับเน อ, อแม่ดีจังเลยใจกว้าง <laughs> <c oughs> คือไปย้อนหลังที่เคยส่งการบ้านหลวงพ่อครับก็เ อ, อยึดจากการส่งการบ้านครั้งแรกที่หลวงพ่อให้คีย์เวิร์ดไว้ว่าต้องอดทนแล้วก็ให้ขยันดูแล้วดูอีก อ, อย่าเลิกเร็วแล้วก็ใจร้อนไปคํานี้จำขึ้นใจมากครับ ก็ใช้ตรงนี้เป็นแนวมาตลอดอืแต่ว่าหลังจากนั้นที่เคย ส, ส่งส่งส่งปุ๊บจะสังเกตว่าทุกครั้งที่ส่งการบ้านให้หลวงพ่อหลวงพ่อจะพูดเรื่องมันจะเข้าเรื่องไปสัญญากับสังขารสองอย่างนี้ให้ฟังอะครับมไม่ทราบ ว, ว่าต้องไปทําอะไรเป็นพิเศษไหมครับหรือว่าไม่ต้อง ก, ก็ดูสังขารดูสัญญาไปนะอย่างสัญญาผุดขึ้นมาสังขารปลุงรู้ทันนะรู้ทันฝึกไปเรื่อยๆครับ ก็ขอถวายอนิสงส์จากการปฏิบัติให้เป็นพุทธบูชาแล้วก็ถวายเป็นอาสิยาบูชาแด่๋ยวหลวงพ่อปาโมลด์ครับสาธุวันนี้หลวงพ่อรวยมากเลยรวยบุญครับอย่างนี้ปลื้มใจนะลูกศิษย์ปฏิบัติชอบที่สุดเลยลูกศิษย์มาเจ้อยแจ๊ะแจ๊ะลำคาญเสียเวลาสอนไม่รู้จักจำบอกให้ไปเร่งภาวนาต้อจะมานั่งเจ้ะแจ๊ะ อ, อ, อ้อย่างนี้ไม่ใช่ลูกศิษย์ที่ดีลูกศิษย์ที่ดีต้องสู้ ่าว่ามากราบ น, นมัสการหลวงพ่อคะ่ะหลวงพ่อครับเวลาที่เราชีวิตเรามีปัญหาเนี่ยคะ่ะเราไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้เลยหรือถ้าปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติธรรมได้ไม่ดีเพราะว่าจิตเราเนี่ยคอยที่จะฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาค่ะหลวงพ่อถึงบอกไงมันต้องหัดไหว้น้ำตั้งแต่ก่อนตกน้ําเราต้องฝึกตัวเองให้ชำนิชำนาญ น, นะก่อนที่จะเจอปัญหาใหญ่ๆค่อยๆฝึกตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปแต่ถ้าเรา ยังไม่ชํานาญเราไปเจอปัญหาใหญ่ซะ ก, ก่อนเนี่ยนะอดทนไว้ท่องคาถาไว้ไว้มันต้องผ่านไปสักวันนึงแหละไม่มีหรอกปัญหาที่ไม่ผ่านนะแล้วก็พอปัญหาผ่านไปแล้วสบายขึ้นแล้วมารีบภาวนาเข้านะ <c oughs> หนุ่งผ้าครับบางครั้งนะคะจนหนูมีความรู้สึกว่าความทุกข์นี่มันเที่ยงแน่แนเลยเพราะว่ามันมันเหมือนกับว่ามันก็ยังซ้ํซากอยู่กับเจอปัญหาอย่างนี้ซ้ํซากอยู่ตอนนอนหลับเนี่ยทุกข์ไหมอะไรนะคะตอนนอนหลับทุกข์เหมือนเดิมไหมไม่ทุกข์ไม่เที่ยงหรอก ก็คือหลังจากที่คือหนูมาทราบว่ามันมันไม่เที่ยงก็คือหลังจากที่หนูได้ปฏิบัติธรรมฟังธรรมอะค่ะแล้วก็รู้ว่าความทุกข์เนี่ยจากที่มันแต่ก่อนที่มันเข้มข้นเนี่ยมันก็เบาบางลงแล้วก็มันก็สั้นลงแสดงว่ามันไม่เที่ยงแต่ว่าก็มีความรู้ว่าทําไมมันไม่หายไปสักทีทําไมมันยังมีอยู่ของหนูเนี่ยให้ไปรู้ตรงใจที่ไม่เป็นกลางที่จริงที่หนูบอกว่าไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝึกจริงจริงฝึกนะถ้าไม่ได้ฝึกเนี่ยไม่เป็นแบบนี้หรอก คงคลุ้มคลั่งไปแล้วคุณนมัสการค่ะหลวงพอ่อข่าวก่อนหลวงพ่อให้ไปดูจิตที่ปรุงแต่งนะคะแล้วตอนนี้การปฏิบัติคือพยายามเจริญสติในชีวิตประจำวันแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายแล้วถ้าช่วงไหนฟุ้งเยอะๆก็จะใช้ใช้แบบพุโทโธพุทโธเข้ามาอย่างนี้ค่ะถูกแล้วเนี่ยค่ะแล้วบางครั้งมันเกิดสภาวะโวงโวงบ้างแล้วก็บางครั้งเหมือนกับว่า เราเห็นแบบหัวใจเต้นนี้อย่างนี้เราปรุงแต่งไปเองหรือเปล่าไม่แต่งหรอกนะเป็นปกติดูไปอะไรนะคะไม่ไม่ได้ผิดปกติหรอกถูกต้องแล้วถูกนะคะมาถูกทางแล้วนะคะหลวงพ่อสังเกตไหมว่าเราเปลี่ยนแปลงไหมล่ะสังเกตค่ะแต่รู้สึกว่ามันแบบเปลี่ยนแปลงไม่ได้เร็วดั่งใจเราเลยโอ้ไม่มีอะไรเร็วเท่าใจหรอกค่ะแล้ว ตอนนี้ต้องมีอะไรพัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปไหมคะเพราะว่าเจริญสติในชีวิตประจำวันแล้วก็พอกลางคืนอะไรก็จะนั่งสมาธิอะค่ะช่างคุยไหมไม่ช่างคุยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเวลาอารมณ์โมโหอะไรก็พูดไม่หยุดเหมือนกันนะคะนั่นแหละคอยรู้ทันนะค่ะอย่าให้ใจมันฟุ้งฟุงฟุงไปค่ะมาถูกทางแล้วนะคะถูกแล้วะค่ะแล้วพอจะแยกธาตแยกขันได้หรือเปล่าแยกได้สิทาไมแยกไม่ได้ อยากได้ยินคํานี้มานานแล้วค่ะหลวงพ่อเรราู้เป็นกําลังใจรู้ค่ะรู้แล้วยังเห็นกิเลสตัวเองเยอะเลยเห็นไหมกิเลสกับจิตเป็นโคนละอันกันนั่นแหละแยกขันละความสุขความทุกข์ก็โคนละอันเห็นไหมนั่นแหละแยกขันละค่ะขอบคุณมากค่ะหลวงพ่อแยกขันได้ก็ทําวิปัสสนาได้ค่ะเห็นทุกอย่างมาแล้วก็ไปมัคทําวิปัสสนามากพอมากคนก็เกิดเองแหละได้ค่ะ จะขอปฏิบัติไปตลอดชีวิตเลยนะคะหลวงพ่อสาธุนะชอบชอบอย่างนี้ครับก็ส่งกันบ้านครบสิบสองท่านนะครับโอกาสสุดท้ายนี้ก็จะขอเป็นตัวแทนทุกท่านในศาลาลุมชินแห่งนี้กล่าวคำถวายทานที่ผู้ผู้นำมาถวายนะครับ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 ปิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวาสมิจตุัสเพปุเรนตูสังกปาจันโทปันรโสยถามนิโชติระโสยธารัสพีติโยวิวัตชนตูสัพโรโภวินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภะอาภิวาทนาสีลิสนิจังุทธาปจายิโน จตาโรโหธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพะลังไปปฏิบัตินะ